สิบเอ็ดสังฆเพทานุวัตกะสิกขาบทภิกษุทั้งหลายที่ประพฤติตามสนับสนุนภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ถูกสงสวดสมนุภาพครบสามครั้งก็ยังไม่สละต้องอาบัตสามอย่างคือ 1. จบยติต้องอาบัตทุกกฏ 2. จบกรรมวาจาสองครั้งต้องอาบัตทุกกาาตออลใจ 3. จบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัตสังฆาทิเศษ